143ว่าด้วยการงดวัตถุเป็นต้นเรื่องวัตถุและบุคคลปรากฏ139ภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ในวันปวารณานั้นภิกษุจะพึงประกาศณนะถ้ำกลางสงว่าท่านผู้เจริญขอทรงจงฟังข้าพเจ้าวัตถุนี้ปรากฏบุคคลไม่ปรากฏถ้าทรงพร้อมกันแล้วทรงพึงงดวัตถุแล้วปวารณาเถิดทรงพึงกล่าวกับภิกษูนั้นว่า ท่านพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปว า, วารณาไว้สำหรับภิกษุทั้งหลายผู้บริสุทธิ์ถ้าวัตถุปรากฏบุคคลไม่ปรากฏท่านจงระบุบุคคล น, นั้นเดี๋ยวนี้เถิดภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในวันปวารณานั้นภิกษุจะพึงประกาศณ่ามกลางรงว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพาเจ้าบุคคล น, นี้ปรากฏวัตถุไม่ปรากฏถ้าสงพร้อมกันแล้วสงพึงงดบุคคลแล้วปวารณาเถิด ทรงพึงกล่าวกับภิกษุนั้นว่าท่านพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปว า, วารณาไว้สำหรับภิกษุทั้งหลายผู้พร้อมเพียงกันถ้าบุคคลปรากฏวัตถุไม่ปรากฏท่านจงระบุวัตถุนั้นเดียวนี้เถิดภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในวันปวารณานั้นภิกษุจะพึงประกาศณาถ้ำกลางทรงว่าท่านผู้เจริญขอทรงจงฟังข้าพเจ้าทั้งวัตถุและบุคคล น, นี้ปรากฏถ้าทรงพร้อมกันแล้วทรงพึงงดทั้งวัตถุและบุคคล แล้วปวารณาเถิดทรงพึงกล่าวกับภิกษุนั้นว่าท่านพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปวารณาไว้สําหรับภิกษุทั้งหลายผู้บริสุทธิ์และพร้อมเพียงกันถ้าวัตถุและบุคคลปรากฏท่านจงระบุวัตถุและบุคคลนั้นเดี๋ยวนี้เถิดภิกษุทั้งหลายถ้าวัตถุปรากฏก่อนปวารณาบุคคลปรากฏภายหลังควรกล่าวขึ้นถ้าบุคคลปรากฏก่อนปวารณ า, าวัตถุปรากฏภายหลังก็ควรกล่าวขึ้น ถ้าทั้งวัตถุและบุคคลปรากฏก่อนปวนารณาถ้าทำปวารณาเสร็จแล้วหรือฟื้นเรื่องขึ้นต้องบัตรปราจิตตีเพราะรือฟื้นเรื่องนั้น